ปัญญามาแทนที่ตันหาหมดหน้าที่มีสันทะเต็มที่มาถึงจุดนี้เข้าใจว่าข้อสงสัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคงจะหมดหรือหายไปด้วยคือข้อสงสัยที่ว่าพระอรหันต์เป็นผู้หมดสิ้นตันหาแล้วเมื่อไม่มีตันหาซึ่งเป็นแรงชักจูงการกระทำต่างต่างพระอรหันต์มีกลายเป็นผู้อยู่นิ่งเฉย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 ดังที่เคยบอกคติของพระอาหารหันต์ที่ว่าหูชนะสุขายะโลการรนุกรรมปายะคือทำการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อเกื้อกาวรวยแก่ชาวโลกตรงนี้คือจุดที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นานอกจากนาคนในการพัฒนาตนก็นาอริยชนในการบาเพ็ญประโยชน์สุขแก่มวลชนพระพุทธเจ้าทำไม่หยุดเพราะทรงเป็นอิสราชน เป็นเสรีชนที่แท้แม้แต่ข้างในก็ไม่มีตัญหามาเหนียวรั้งแต่ตรงข้ามทรงมีชันธาเต็มเปี่ยมจึงทำได้เต็มที่ชันธาที่เต็มเปี่ยมนี้เป็นพระคุณสมบัติอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นพุทธธรรมอย่างหนึ่งในพุทธธรรมสปประการคือข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีฉันธาไม่ลดถอยเลย